ใช่เลยไม่น่ากลัวสิแต่ไม่รู้เป็นยังไงสิบแล้วกที่สิท่เจ็ดสิคราวนี้เจ็ดแล้วเจ็้ยีสิบามเป็นอีกสี่เดือนหนึ่งหมด เนียนับวันนับเดือนไปนับบางทีนี้จะนับอีกจันทร์คานพุทธผลัดสุขสาวอาทิตย์กลับมานับใหม่จันทร์คานลาไปอีกสี่สี่อาทิตย์เป็นหนึ่งเดือนนับไปอีกเดือนสองเดือนสามเดือนเรื่อยไปจนถึงสิบสองเดือนนับใหม่อีกเดือนหนึ่งเดือนสองไปอีก ก็เหมือนตะวันมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตกปไปแล้วก็โผล่ขึ้นแล้วก็ตกปไปโผล่ขึ้นแล้วก็ตกไปกตกไปนักป่าทั้งหลายท่านท่านนั้นต่อมาเดี๋ยวพวกเราอยา่าพากันฝ้าหมาจะนับวันนับเดือนไปคนที่หนุ่มก็หนุ่มไปคนที่แก่ก็แก่เข้าไปเรื่อยเรื่อยเร่อยังหาช่องทางที่จะ เ, เป็นเครื่องทันนึกเตือนจิตใจสัวเไม่ได้บางคน บางคนก็สำนึกตัวได้ดีไม่ประมาทบางคนก็สำนึกไม่ได้เพราะอะไรจริงนอย่างนั้นหนึ่งก็ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงความสติมีความรู้คนฉลาดมต่างกันฉะดีปัญญาก็ต่างกันความเป็นมาก็ต่างกันความเป็นมากันผิดกรรมมานี้ เราทํากรรมบรรไดไว้เป็นยุนหรือเป็นบาปก่อเราจะเป็นทายาทจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเหมือนท่นบอกทุกคนท่านบกว่าทุกๆวันให้พิจารณาอย่างนี้ททนทุกๆวันทุกคนจะต้องจะเป็นทายาทหมายถึงว่าเป็นจะต้องได้รับผลสิ่งเหนั้นไม่มีเว้นสักคนหนึ่งทพุทธเจ้าของเรา ถ้าเราคิดกันแต่คนที่ไม่ได้คิดก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ทราบซึ้งเท่าไหร่เพราะสิ่งจิดกันมันเยอะยิ่งสมัยนี้นี่มันเป็นทุกรูปแบบที่จะมาส่งเสริมจิตใจให้หลงลืมแนะเพลิดเพลินมัวเมวงธรรมดาจิตของเราก็มมาอยู่แล้วเพรสิ่งเหลนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นไปสร้างขึ้นไปทุกด้านทุกมุมจิตก็ลืมไป คนที่ไม่มีบุญเป็นเครื่องส่งเสริมน้มใจยิ่งประหมา่ายิ่งทำแต่สิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่ทำให้ตัวเองเหมือนเอาไฟจุดตูเพราะมันไม่รู้ถ้าจิตมันรู้แล้วมันจะไปทำได้อย่างไรมันไม่ทำสิ่งใดที่เป็นประโยชน์คนให้สังเกตตัวใครตัวมันหรือจิตของใครของมันนะถามว่าจิตเราวันหนึ่งก็คืนหนึ่งมันคิดทางฝ่ายสุสวนมากที่สุดนั้นนับมาดีถาว่า อันนี้จะจากไปแล้วไหนก็ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าจิตเป็นนี้เป็นนั้นเป็ง น, นั้นถ้าจิตคนใดคิ ด, ด, ดเรื่องเรื่องสิ่งที่ไม่ดีคิดอยู่ในทางต่ำมัวเมอยู่ในทางต่ําทั้งวันทั้งคืนคิดอยู่อย่างนั้นไม่ถึงนึกถึงบุญถึงกุศลไม่ได้อันนี้ก็หากว่ามันหมดหรือร่างกายไม้หมดไปทั้งพูดตามภาษาของพวกเราว่าตา่าย มันก็แย่หน่อยี่ พ, พูดแต่จาาเป็นนี่ามนุษย์โสหมู่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์อย้าพากันประมาทให้บำเพ็ญทานศีลภาวนาทานก็คือเสียสลับมอหมายถึงว่าไม่เห็นแก่ตัวเกินไปไม่ใช่วาให้เป็นเงินเกียทองอย่างเดียวการให้อาภัยซึ่งกันและกันการไม่เห็นแก่ตัวการไม่เอาเปียบอรัดกรนี้ด้วยแลแต่ถานคือเสียสลับ สลัดปัดทิ้นออกไปสิ่งที่เป็นโทษไม่ดีไม่เป็นพวกพวกเราอยู่ร่วมกันทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่รวมเรียกแล้วม่ว่าจะมึงใครรวมทั้งโลกนี้ถ้าหากให้อภัยซึ่งกันในกันไม่ได้โลกก็จะต้องเดือดร้อนลุทิบขึ้นไปทุกวันทั้งันดผลสุดท้ายก็พินาศจหายมีการให้อภัยซึ่งกันละกันไม่ได้ไม่เป็นคือความเห็นแก่ตัว ถึงใหาทำไมถึงให้ไม่ได้อำ น, นาจกิเลสมันแรงกิเลสตัวนี้เป็นไฟเผาตัวเองแล้วเผาตัวเองและติเองแล้วก็ย่อมไปเผาผู้อื่นได้เพราะชำระไม่ได้นี่มนไม่ได้จะหนีใครไม่ว่าท่านมาเราต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันการมาวัดก็มาวัดจิตวัดใจนะไม่ได้วัดอย่างนื่นวัดจิตใจตัวเองด้วยคุณงามความดี มันไหลลงในทางต่ำมากน้อยแค่ไหนต้องวัดต้องพยายามวัดจริงๆจะ่ามาสัจจว่ามาฟังแล้วก็สัจจะว่าผังอันนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนอกจากฟังแล้วน้อมเข้ามาน้ําเข้ามาดูจิตใจของเราวันหนึ่งมันเป็นอย่างไรคือมืนเป็นอย่างไรที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนท่านบอกผลทางเดินเพื่อจะกล้าไปหาความสุขความเจริญนับแต่ขั้นต่ําจนกระทั้งขั้นสูงสุดคือวิมุตติผนิพาน จะต้องเดินไปให้ถูกทางเสมอทางมั้ข้อปฏิบัติที่จะทำเดินตัวของเราผูเ้เดินเดินนี้ให้ถึงความสุขความสงหังจะต้องมีทางเดินพระพุทธเจ้าจเาทา่านั้นทันจริงยกว่าทานในที่พูดไปแล้วการเสียสละการรู้จั ก, จกสเสียเจียจาร์การรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้พูดโดยย่อจากนั้นแล้ว เรื่องศีลเข้าไปศีล น, นี้ยิ่งให้อภัยหยาดไงถ้าคนรักษาได้ศีลห้า ก, ก็ดีให้อภัยหยาดแม้ชัดเป็นก็ไม่ฆ่าแม้อยากก็ไม่ทําลายด้วยอํานาจของกิเลสกิเลสมันอยากฆ่าอยากอิจฉาเขาอยากบังเบียดเขาอยากมือถูงเกียร์ยามเขาอยเนี่ยคนมีศีลมีธรรมต้องระวังตั้งมมใจด้วยดวยีอันนี้ไม่เป็นพิดเป็นภัยแก่ตัวเองศีล น, นี่จิงว่าละเอียดกว่าทานมากนี่ไหม หมายถึงวัตถุทานทานนั้นมันก็มีทั้งวัตถุทานมีทั้งทานเสียสละทานรางจิตใจมีทั้งสองกย่เสียนินแม้จะเป็นเรื่องใหญ่ก็ดีกว่าทานวัตถเุเป็นไม่ไหมเห็นว่าระวังตายระวังวาจาของเรานม่ให้พูดผิดในทางที่ไม่ดีไม่งามเดียยินกายก็ ระหว่างมิให้ไปทําบาปเป็นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมอันนี้ประเภทสินห mm ้า hmm. เพียงแค่นี้ก็เป็นเครื่องประดับตัวเองให้เด่นภายในตัวเองอยู่แล้ว <c oughs> ทําไมโลกมนุษย์เราจึงไม่อยากทําพระพุทธเจ้าสอนที่สอนปก ป, ก ป, กปกป้องตัวเองจริงๆปกครองตัวเองจริงๆต่างคนก็ต่างเอาศินมาปกครองตัวเองแค่ไม่ประพฤติผิดในกรรม ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทั้งนี้ก็โลกนี้ก็ล่มเย็นพอสมควรแต่ในสมัยปัจจุบันนี้รักก็เปลี่ยนพอพุทธิ์สบตัวกามนี่แหละร้ายแรงที่สุดตัวนี้แหละโลกจึงเป็นไฟมาล า, า, ายการขึน้นมาตัว ก, การมีษาการมี ส, สารจารายน้ำมนันตรงนี้แหละยุคนี้เป็นยุคที่ร้ายที่สุดคนจึงเป็นเหตุให้เป็นบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมือง ดิ้นเป็นเหมือนหางกิ่งเหลงดูใครดูอะไรเพราะสิ่งส่งเสริมมันมากต่อมากแต่งขึ้นมาสิ่งใดที่ทําให้จิตใจขนองยิ่งขี้เหร่ตรัวนี้มันชอบอยู่อย่างนั้นแล้วก็แต่งเพลงพูดง่ายๆตามภาษาของนักป่า่แต่งร้องเพลงเผาตัวเองให้เดือดร้อนให้ดิ้นรนให้อยู่ไม่ได้ทําธรรมดาอยู่ไม่ได้นนต้องดิ้นรนต้องกระโดดโลดเต้นต้องวิ่งต้องหาต้องสแสวงหาสิ่งที่มันชอบมันพออบพอใจ แต่หามาแล้วก็มาเผาตัวเองมีนักปราชญ์ท่านสอนอย่างนี้เสียแต่เราไม่รู้อำนาจที่ไม่รู้นี่แหละท่านจึงบอกว่าให้เข้าคบค้าสมาคมกับท่านผู้ฉลาดคือบัณฑิตนักปราชญ์ท่านรู้ดีรู้ชั่วแลพยายามเข้าไปหาท่านไปบอทท่านจะแนะนําสั่งสอนพวกเราก็จะได้มีความรู้ความฉลาดและไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่ในบ้านก็แก้ไข อยู่วัดก็แก้ไขแก้ไขจิตใจของตัวเองนั่นแหละให้เดินตามหลักศีลหลักธรรมเดินตามคารวาดก็มีสิบห้าข้อพอนบับเป็นเลิศแล้วเป็นมนุษย์สที่สุดแล้วีจากนั้นแล้วยังด้านจิตดาภมนานอนวันหนึ่งคืนหนึ่งให้มันหลับก็พุโทโธเฉเลยส ต, ติของเรานี่อยากไปไหนเพราะคิดก็คิดมากแล้ววันหนึ่งเป็นยี่สิบสชั่วโมง การคิดปกครองชีวิตหาอยู่หากินเลี้ยงปากเล่นพท้อมั้องผู้มาเกี่ยวข้องสังคมทุกด้านทุกวมุมคิดไปหมดแล้วแต่ทีนี้ให้มันพักมั่งบ้างสิจิตก็ น, น้อมเข้ามาและลึกถึงพุทธโทธพุทธโทธอยู่ใใจิตไปไหนถ้าเงียบลงไปก็ให้จิตยิบพุทธโทธอยู่อันนี้แปลวะ่าดําเนินคุณงามความดีแต่ว่าสร้างกุศลขึ้นประดับจิตใจของตังเองเมื่อสร้างที่แรกมันก็น้อยมันมากขึ้นไปมันก็มองรู้จัก สิ่งที่เป็นกุศลแท้ๆสิ่งที่ไม่ดีนิจิตมันจะไม่ยอมทำเบื้องต้นจะต้องบังคับมันให้ทำใช่อปเพราะถ้าไม่บังคับมันจะไม่ยอมทำเพราะมันเคยชินกับทางชั่วช้าลามกมาเป็นเนดตักไหนกันใดเราไม่รู้เพราะเราไม่มีญาณเพื่อรู้เหมือนพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงอาศัยการกระดับปรับฝั่งระดจะน้องเข้าไปปรับปรุงแก้ไข ผู้ที่อยู่ในบ้านจะเดินก็ให้ขยันมันเพลินหขาขยันมันเพียนในประการประกอบชีวิตอย่าให้ผิดสิ่งผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนี้ก็พอแล้วมนุษย์ลราเดี๋ยพูดยุคนี้มันมันแย่มากพุดและวพอสภาพสีคนต่ำมากเพราะอะไรทุกความจเจริญทาง้านวัตถุมันมากความเจริญทางด้านวัตถุนั้นอ่ะมันจเจริญแค่นั้นเองขยันชุดลิศชุดเขตแล้วก็พังพินาศทิพไผ่นึ่งที่เราเห็นอย่างประเทศขเขมรนีน้ ปาสาทเขมรมันพังไปเท่าไหร่ก็อย่าไปดูปราสาทเขมรสร้านขึ้นก็อย่างนั้นทนะางวัตถุที่สร้างเครื่องอาศัยช่วาการช่วเวลาก็ไม่มีกิรงสาวัรเหมือนสร้างวัตถุทำคือภายในภายในใจของเราคือสร้างศิ่งห้า ต, ตามความจริงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ในแม้พระ อ, องค์เกิดมาเป็นมนุษย์นิ่ชอบบำเพ็ญสิ่งห้านี้เป็นพื้นทีน่ พระองค์จึงพูดอะไรจะเป็นความสัตย์ความจริงแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีความสัตย์ความจริงอย่างสมัยเป็นนกคุ้มแค่เป็นสัตว์เดรัจฉานดูสิพระองค์ก็ยังยกความสาัตย์ความจริงมาพูดในดังที่เขาไปทํากันทุกวันนี้เป็นคาถานกคุ้มทีจริงไม่ใช่คาถาเป็นคําสอนของสัตว์บุรุษท่น า, านสัตว์บุรุษจะต้องดำเนินตามความสัตย์ความจริงเมื่อพูดแล้วต้องทํา แต่ก่อนจะพูดอะไรทุกขงทุกอย่างคิดแล้วคิดเล่าพี่นะเราก็ว่าทำํำต้องทําจริงๆเหมือนเรามาวัดในนั้นสร้างศีลก็ให้สร้างจริงๆอย่าเป็นคนล้อหลอดแล่แหละทําอะไรล้อหลอะแล่แหละถ้าทําอะไรล้อหลาะแล่แหละแล้วก็ไปสร้างบ้านสร้างเรือนก็เป็นคนจับจุดไม่แน่นอนท่านจึงว่าไม่มีสมาธิเขาพูดสมัยนี้ก็ไม่ผิดของเขาไม่มั่นคงในตัวเองเพราะไม่มีทําเป็นเครื่องประกอบ หากคนใดมีรันเป็นเครื่องประกอบคนคนนั้นเป็นคนแน่นอนอันนี้พูดถึงนิพพานนกคุ้มก็เลยผ่านไปที่มิเต็จจะเล่าให้ฟังสมัยนั้นนกคุ้มท่านอยู่ในปา่ามารดาของท่านออกไปหากจนแม่ของนกคุ้มเดิน อ, ออกไปหากจนเวลานั้นไฟไหม้ป่าหมาจีก็ยังไม่มีตาก็ท่านบอกว่ีเลาก็ไม่มีเราบินไม่ได้มาดูที่ดูเป็นสัตว์เดินทางเท่านั้น อำนาจขจัมบัณฑีที่เราบำเทนมาขอยไฟดีกออกปาไฟก็ดีก อ, อ่าไปทีีมากเท่าไหร่จะมาขจัมไม่ได้พูดในใ น, ในหลักปเิยไว้เหมือนกันนี้อำนาจความจริงคือความสัตว์นี้พวกเราก็ให้ตั้งสัตย์เลยเอาจากศิลคืนนี้แหละเราจะต่อสู้เรื่องอำนาจของความหลักของกิเลสคือความ อยากนอนอยากหลับอยากนอนความว่วงเหงาห้านอนอย่างนี้สู้ได้เท่าไหร่อย่างน้อยมีสัตย์ให้คําว่าสัจจะตัวนี้หากกาลังตัวเองไม่เพียงพอ <c ười> ไปจะไปตั้งเกินกําลังตัวเองแท้ก็เป็นคนแพ้อยู่ตลอดเวลาดูกําลังว่าจะได้แค่ไหนเป็นแบบสามชั่วโมงเราจะสู้มาัาล่ะจากนี้ไปสามทุ่มถึงจะ น, นอนเราพยายามรักษาจิตใจจออย่างนี้แต่ถึงสามทุ่มเป็นนอนหรืออย่างนั้นต่อไปก็สี่ทุ่มสี่ทุ่มก็นอน หรือหกคุ้ณหรือผู้แข่งจริงๆก็มีความสามารถกินได้ตลอดคืนมีท่านว่าเอาชนะกิเลสกิเลสตัวนี้มันคาหลับอยู่ตลอดในล่ำเวลานอนี่ยสองโมงแล้วก็ยังไม่อิ่มก็กยกังอยากจะเอาอีกนีอำนาของเกศตลอดท่านจริงสอนผู้นพุทธเจ้าด้วยสอนไห้ประมาทนอนก็ให้นอนพอดีตื่นขึ้นมาแล้พอเหตุขยันในหน้าที่ผู้ทําภพภาคความเพียรก็ต้องต่อสู้กิ เ, เลสเรื่อยไปเพราะกิเลสตัวนี้เป็นไฟใหญ่มากที่สุดทีเดียว เราไม่รู้จักเพราะจิตใจเราจิยังไม่สะอาดถ้าจิตใจเราสะอาดแล้วจะได้รู้ดีว่ากิเลสเป็นอย่างไรต้องดำเนินไปอย่างที่พูดให้ฟังนี้แล้วอนงเดินตั้งแต่นู้นและสังแตทานวัตถุทานต่อมาก็าเก้าเพื่นไป็ดเพืศียวัตถุทานนั้นเป็นเหตุน่าให้จนทรัพย์เกิดมาพบใดชะใดจะมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองเพราะนี้วัตถุทานคือการให้การบริจาคแต่ให้ให้เป็นนะรู้จักให้ สมควรที่จะเป็นประโยชน์ก็ให้ไม่ใช่เวี่ยงัต์ไปว่าให้เขาทําแล้วก็ทําตามเา้าต้องมีเหตุมีผลนี่พระพุทธเจ้าบอกให้รู้จักผู้ที่ควรให้ก็คือประเภทใดถ้าเป็นพระเราประเภทไหนพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าแล้วชุปฏิปันโนอุชุปฏิปนันโนนั่นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่สัตว์เก็พระแล้วก็ห่มผ้าเหลืองแล้วก็จะให้กันไปอย่างนั้นให้กันไปก็พอเป็นที่พี่เฉย รู้จักให้มีเพียงให้ทานนี้กต่ท่านก็สอนให้ฉลาดแล้วไม่ได้สอนให้ง่เลยให้ให้เป็นประโยชน์เมื่อมาได้เป็นประโยชน์อย่าไปทําเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ให้กันพอเป็นพิธียกตัวอย่างพิธีอีสานของเราก็คือบุญบั้งไฟตอนนั้นเราก็บุญเดี๋ยวนี้บุญโพยทั้งท่านท่าที่ทำเด่นกันไปเฉยๆบุญบั้งไฟก็ว่ากันเอาบุญไปใส่เฉยๆที่จริงมันไม่ใช่บุญบั้งไฟหรอกมันเล่นบั้งไฟ อย่างที่บุญพ่อเบงก็เอาชื่อไปใส่ซเฉยๆแล้วก็แห่กันแล้วก็กินเหล้ากันเท่านั้นเองนีคำว่าทําพอเป็นพิธีเหตนฉนั้นพอเป็นพิธีเท่านั้นบุญที่จะเป็นทราบถึงที่จะให้เป็นบุระดกตกทอดให้เป็นสมบัติของเราที่เกิดมาพร้อมกับเราให้มีคุณค่าให้มีสมบัติมากก็จินน้อยลงไปเพราะทํำไม่เหตุไม่มีเหตุมีผลทําพอเป็นพิธีท่านจึงหว่าทานก็ให้รู้จักอย่างนั้นแล้วก็บำเพ็ญศีลจึิง เร่งที่พูดไปแล้วสิว่งก็ดีให้รักษาสี่งห้าให้ได้พยายามมิพูดเพียงแค่นี้ก็นับว่ายากลําบากแล้วควรจะฝากคุณกิเลสประเทศนี้ไปยากก็ขอให้ยากในทางที่ดีงามแล้วคําว่าง่ายกิเลสมันพาไปแบบสะดวกสะดวกชอบสะดวกชอบ ส, สบายแต่อันนั้นเป็นทางของกิเลสจะทําให้เราตกต่ำหรือใจิตใจต่ําลงไปเมื่อใจิตใจต่ําลงไปก็เป็นคนอาภัพ แต่กิเลดมันชอบอย่างนะั้นแต่ก็ต้องคุมฝืนท่นหรอกพอพูดใหเจา้าท่านพาฝืนฝืนมาแล้วเป็นคนดีลองดูที่เราถ้าเราไม่มามาฝืนทุกสิ่งทุกอย่างเช่นขี้เกียจเราไม่ฟื้นม า, านี้ลองดูที่มันจะได้ดีได้ไงมาแต่เช่นความคิดมักง่า ย, ยานี่เราไม่พยายามทําสิ่งที่ไม่มักง่า ย, ยานี้ก็ต้องพยายามทํานี้นี้ต้องเอาจริงเอาจริงถ้าไม่เอาจริงเอาจังนี้ไปไม่รอดจะว่าแต่คารวาท่ า, านไหนก็เถอะ การเรียนศึกษาก็เช่นเดียวกันถ้าไปเลกเรียนศึกษาก็สัตย์แตว่าไปสัตย์แต่ว่าเรียนไม่มีทางไปรอดได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราโง่หรือให้เราฉลาดท่านละสอนผิดตรงไหนเรากิน ด, ดูสิถอนโลกให้รักษาตัวเองก็สอนทุกด้านทุกแง่ทุกมุมลองไปคิดดูดิพระพุทธเจ้าตรัสคำใดลงไปเดี๋ยมันอยากขี้เกียจให้ขยันมันเพีย้ยนะ่ะฟังซิคำว่าให้ขยันมันเพียนนั่นลองดูซิดิ ส่วนมากความที่เกียดมันจะแพ้มันแพ้มันแพ้มันเราจึงขยับตัวไม่ได้เราจึงเป็นคนทุกข์ยากลาบากโผล่ตัวขึ้นไม่ดังนั้นเราก็เพลินไปตามอารมไปเสียตามอารมเพื่เตืเอนที่ชอบใจไม่รู้จักยับยัง้งเพลินแค่รู้จักว่าเพลินพอเหมาะพอดีดถ้าเราเกิดมาจะต้องมีความสนุกเป็นความล่าเริงบันเทิงแต่ให้รู้จักการเวลาที่ประกบอบ ก, การทาํามหาเรื่องที่เพลินพอเหมาะพอดีกับภาวะจนก็เพราเรา เองความมั่งมีก็เพราะเราเองใครจะมาทำให้เรามั่งมีไม่ได้นอกจากสะดับปรับฟังมาแล้วเรามาแก้ไขที่ตัวเหล่านี้ทุกสิ่งที่อย่างที่มันรวมอยู่ที่ตัวเหล่านี้ทั้ง น, นั้นถ้าเราไม่แก้ไขตัวตัวเองเกิดมาพกใจพ่าดใดก็อยู่อย่างนั้นแหละทันจริงวาให้แก้ไขทุกจุดคือนำคำของพระพุทธเจ้ามันหลั่มาแก้ไขพุทธเจ้าควารู้ดีรู้ชั่ว รู้จริงที่เป็นประโยชน์จึงบอกพวกเราถูกตั้งแม่นยำแม้พวกเรารู้มันก็ยังรู้แบบต่อมเพราะอํานาจจินตเลศนี่มันแรงมากจริงมันจึงไถพวกเราลงในทางสัต่ำตลอดเวลาเวลาหาความเจริญก้าหน้าไม่ได้ไอ้ยิออ่งปัจจุบันนี้โลกเจริญขนาดไหนก็เจริญเจริญเพื่อนด้านวัตถุกเท่านั้นเองหาความสุขความกบอุ่นภายในตัวไม่ได้ท่านจึงอยากจะให้เดินทางสีทางธรรมหรือเป็นความงามเป็น ความประดับตัวเองแล้วร่มเย็นเป็นสุขเรามองเห็นแม้จะรูปร่างไม่สวยก็ตามแต่ทิยม ร, รยาญาติหรือความไม่เอาเปรียบเอารัดความไม่เห็นแก่ตัวเท่า น, นี้ก็พอเข้าใกล้ก็มีความอบอุ่นพอทรงทุกข์ถ้าหาว่าเอาเปรียบเอารัดไม่มีความอบอุ่นเห็นแก่ตัวแล้วเป็นปืนเป็นไฟกันหมดแม้เข้ากันก็ไม่ชนิดแม้จิตใจก็เข้าไม่ชนิดไอธรรมชาติจิตนั้นนะ่ะแม้แต่สัญญาสาร เราไม่ฆ่ามันเราดูที่มันยังสนิทเราได้เมันยังรู้หรือว่าอํานาจจิตตัวนี้ไอ้คนที่ฆ่ามันมันมองเห็นแลบินเลยหนกไอ้ที่คนไม่ฆ่ามันมันมองเนี่มันรู้จักมันอย่างพระอย่างนี้แล้วสัตว์อยู่กับพระมันเชื่องมากเขามันเห็นทุกวันทุกวันมันไม่เห็นมีอะไรมันรู้จักแต่ถ้าเห็นคนก็วิ่งเข้าป่าเลยแต่สัตว์มันยังรู้อํานาจจิตตัวนี้มันมันมีอยู่ในในในตัวขขาไหม มันมีพิษอยู่ในตัวขขามาันอำนาจเจริญถ้ามีความโลภความโกรธต้งมากเป็นคิดทันทีตัดเห็นก็กลัวถ้าระงับลงไปเย็นลงไปเท่าไหร่ความนิ่มนวลในตัวก็มีความฉายแสงออกไปสู่สัตรูไปสู่บุคคลที่มาเกี่ยวข้องมองดูแลหน้ารักหน้าสงสารหน้ากราบหน้าขอร บ, บูชาเพราะจิตมีธรรมภายในตัวมีฉนวนผู้มีธรรมมันจึงใจกับคนมีกิเลสกิเลสกับธรรมจิตเท่ากันไม่ได้ ฐานคำมากเทวายิ่งมองเห็นอิเลสไม่เป็นของที่และไม่ตามด้วยไม่เป็นของที่ดีงามเลยพระพุทธเจ้าท่านดึงแหวออกไปด้วยคุณงามความดีพวกเราทั้งหลายที่มาอบรมที่มาวัดกันก็ขอให้นํำคำนี้เข้าไปคือความขยันหมั่นเพียรแต่ยพากันพยายามฝึกตนเองไปทุกวันทุกวันแต่พากันเห็นเแก่ความขี้เกียจมักงากลับไปบ้านแล้วก็ อย่าขี้เกียจไหวผ้ะไหวทุกวันทุกวันมีเนื้อสรุปแล้วอะนอนก็ให้หลับอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธนั้นเป็นงานธํามราชกิเลสโดยตรงอย่าไปคิดคิดเองจนเกินไปโอ้เราจะทําชั่วัึงขนาดนี้แล้วเราทําอะไรก็ไม่เห็นอะไระนั่นมีเรื่องกิเลสมันสับยทั้งนั้นแหละเราทําความชั่วมาม า, มากเท่าไหร่นั่นแหละแต่เราเวลานี้เราจะ แ, แก้ความชั่วนั้นด้วยความดี เราต้องปรับปรุงความชั่วนั้นด้วยความดีและก็ลังึกถึงความดีอยู่เราเลึกถึงความดีอยู่ทั้งวันทั้งวันใจของเราก็มีความสุขแต่แล้ึกถึงความชั่วนิดหน่อยเพราะนั้นก็เศร้าหมองท่านบอกไตรกิตะ ป, ปริโยดาปนาันนกา ร, รากําระจิตด้วยคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับมนุษย์ลักที่เกิดมาเพราะพุทธศาสนาและอย่าพากันประมาทนะมีพูดให้ฟังแต่แต่พูดมานี่กันนาน อะไรต่ออะไรฟังกันอยู่ไม่ทราบว่าจะได้แค่ไหนเพราะจิตนั้นนะมันมันรับยากรับรำเถึงว่าทำนี่มันไปยากาะพูดแค่นี้ก็พอเหนื่อยแล้วพอ